ใครมาจากเมืองลาวพ้างยกมือหนมีรถตู้ประเทศลาวไม่ใช่นะเอามือลงได้แล้วหลวงพ่อไปเทศเมืองลาวมาสามวันกลับมาป่วยไปสามอาทิตย์เลย เป็นวัดไม่เกี่ยวกับประเทศลาวหรอกแต่ว่าแก่แล้วเทศหลายรอบสามวันนะเทศเป็นทางการนะห้ารอบไม่เป็นทางการอีกหลายกลุ่มเลยพอค่าอ ย, อยัางชั่วเมื่อวันพุธเขาไปสุลินใกล้เข้าภรรษา เป็นธรรมเนียมของพระเข้าพรรษาต้องไปกราบอุปชาอาจารย์อะไรพวนี้เพื่อท่านมีอะไรจะอบรมสั่งสอนเราพิเศษไปกลับมาแล้วเป็นข่าอีก เป็นรอบแรกแล้วหมอให้ก enfin ินยาต่างประเทศกินจนไม่รู้จะกินอะไรแล้วท่นนี้เลยหันมากินปลาทะายโจรเวลาแก่เนี้ยไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะแก่ไปเยอะเลยบอกแก่แล้วเป็นทุกข์ สุดโสมคนไม่รู้ว่าแก่แล้วทุกแราวยังไม่แก่เอาไปแก่แล้วจะรู้แต่หลวงพ่อยังไม่แก่เท่าท่านท่านบอกยังหนุ่มอยู่ก็เทียบกับท่านนะใจิตใจของนักปฏิบัติที่ดีนะต้องเคารพครูบาอาจารย์ เชื่อฟังครูบาอาจารย์บอกคำไหนคือคานั้นเลยนักปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เหมือนพ่อกับลูกเลยยิ่งกว่า น, นั้นอีกฝากเป็นฝากตายกันอันนี้สําหรับใจของนักปฏิบัติแท้ๆนะอย่างพวกเราเป็นนักปฏิบัติแบบสมัครเล่นนะยังไม่แท้จริงหรอก อย่างหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู ด, ดูลนะเราไปรอฟังเมื่อท่านหลวงปู่บอกให้บวชนะัจะบวชทันทีเลยท่านสั่งให้ทำอะไรก็รทาทันทีเลยแต่ท่านไม่สั่งท่านรู้ว่ายังไงต่อไปก็บวชหลวงพ่อก็เพิ่งรู้ว่าท่านรู้ ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วมีลูกศิษย์ท่านเป็นโยมผู้หญิงนะบ้านอยู่ข้างวัดบุญรู้จักท่านตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผู้หญิงนี้เด็กนะไม่ใช่หลวงปู่เด็ก <c oughs> โหม 3, ื่อปีสองสามนังเขาเข้าไปกราบท่านบอกว่าจะมาแต่งงานมาอยู่ชนบุรี ท่านบอกอไปอยู่เมืองน้ำเข็มบอกใช่ท่านบอกต่อไปลูกศิษย์เราจะเอาธรรมะของเราไปประกาศที่ชนบุรีแต่นั้นหลวงพ่อยังไม่เจอท่านเลยนะยังไม่เจอท่านพ่อก็ไปหาท่านปีสองห้าใจของเรานักปฏิบัตินะ ครูบาอาจารย์เนี่ยจะอ่อนมากเลยอ่อนน้อมอ่อนโยนนะหรือครูบาอาจารย์ในวงเนีนะ่ชื่อหลวงตามหาบัวนะลืมท่านยังยังไม่ลืมนะไม่ลืมท่านก็ต้องพุทโตไว้ห <c oughs> ลวงตามหาบัวนะั้นขึ้นชื่อลือชาวปตุมากนะเวลาหลวงพ่อจะไปกราบท่าน ตอนออกเดินทางเนี่ยมีเสียวเสียวนิดหน่อยกลัวท่านเหมือนกันนะแต่พอไปถึงอุดอรแล้วไม่กลัวละเคารพแล้วไม่ใช่กลัวโดนล้านถ้าถูกครูบาอาจารย์ดูด่าว่ากล่าเนี่ยเป็นสิริมงคลกับเราเราจเจริญถ้าเราทำไม่ดีแล้วท่านเฉยเฉยนะแย่ละชีวิตนี้ คงจะแย่แล้วเกินกว่าจะสอนเกินกว่าจะเยียวยาละวงั้นยังถูกท่านดุดาว่ากล่าวได้นะเป็นบุญนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ดอนท่านดุไม่กลัวท่านเนะเข้าไปหาไปอะไรแต่ใจของเราเนี่ยเคารพครูบาอาจารย์ท่านสั่งอะไรทําำตอนเด็ ก, ดกไปเรียนกับท่านพอลีวันโสงารามตอนนั้นเจ็ดขวบเองพ่อพาไป กับท่านพหลีท่านพหลีเขเรียกนั่งตักท่านนะลากมานั่งเหมือนตักนะท่านก็สอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดออกโทนับสองนะนับไปถึงสิบมาเก้าแปดเจ็ดหกห้าตั้งแต่วันนั้นไม่มีวันไหนที่ไม่ทําอานาปนสติตั้งแต่ปีศูนย์สองหกสิบปีมาแล้ว งั้นหลวงพ่อเนี่ยมีพลังฝึกปรือหกสิบปีตอนพลังฝึกปรือยี่สิบปีนะเคยไปเล่นกับหลวงพ่อกเกษมนะท่านพลังฝึกปรือหกสิบปีจะไปดูจิตท่านอยากรู้สนตอนนั้นยังสนอ่าตั้งแต่มาบวชเนี่ยไม่ออกไปดูข้างนอกเลยดูแต่ตัวเอง ในภาวนามานะครูบาอาจารย์สอนให้ทําอะไรทําไม่เลิกเลยตั้งแต่หกกรุมาภาปีสองห้าพบหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูจิตไม่เลิกเลยดูจิตจะไม่มีจิตจะดูดูมไปหมดมีอะไรให้ดูดูหมดครูบาอาจารย์ไม่เคยต้องสั่งครั้งที่สองคำไหนก็คือคํานั้น ไม่เถียงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แหลมคมกว่าเราเราดีจริงเราก็พ้นทุกข์ในใจนึกอยู่อย่างนี้เราเพิ่มมีมานะอัตตาแต่ไม่ใช่มานะแบบกูเก่งเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยจะรู้สึกว่าทำไมท่านเก่งจังเลย เรานะ่ไม่ได้เรื่องเลยเมื่อไรจะเก่งอย่างท่านเมื่อไรจะดีอย่างท่านสะอาดอย่างท่านอย่างนี้ก็เรียกมานะาเหมือนกันนะเทียบเขาเทียบเราแต่ว่าไม่ได้เทียบแบบอาหาังการกูเก่งกูเหนือคนอื่นเลยจะรู้สึกทําทำไมท่านเก่งอย่างเลยท่านดีอย่างเลยเพนะ้เนเวลาท่านแนะนำอะไรนะเอามาต้อมใส่เกล้าใส่กระม่อมมาปฏิบัติเลย มีความรู้สึกนะกับครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนว่าถ้าท่านจะขึ้นที่สูงแล้วท่านยืนไปไม่ถึงเราเราหัวเราไปลองตีนท่านได้ให้ท่านเหยียบขึ้นไปได้ใจมันขนาดนั้นนะเปนเหมือนที่คุณแม่จันดีท่านสอนลูกสิษท่านว่าถ้าเจ้าเป็นผ้าขี้ริ้วไม่ได้นะข้าก็สอนเจ้าไม่ไหวเป็นผ้าขี้ริว้วเช็ดเท้าได้ ใ, ใจของผู้ปฏิบัติจริงๆขนาดนั้นนะเรียกว่าฝักเป็นฝักตายกันจริงๆแล้วเวลาภาวนาเนี่ยความเคารพในครูบาอาจารย์มีศรัทธาในครูบาอาจารย์นท่านสั่งให้ปฏิบัติเราจะขยันปฏิบัติวิริยะจะเกิดความเพียรจะเกิดไม่กล้าขี้เกียจ หลวงพ่อภาวนานะทุกวันไม่ขี้เกียจแต่บางวันมันก็ท้อเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันสมัยเป็นโยมนะท้อเหนื่อยบางทีก็โอ้ไม่มีทางแล้วมั้งอะไรเงี้ยแต่ก็อดทนกลัวเจอหน้าครูบาอาจารย์แล้วเราเก้อเขินเกรงใจท่านสอนเรา โดยเฉพาตอนที่หลวงปู่ดุลมรณภาพแล้วนะหลวงพ่อไม่กล้าขี้เกียจเลยไม่กล้าท้อใจเลยมีความรู้สึกเหมือนหลวงปู่มองเราทั้งวันนะตอนท่านเป็นๆ เ, เ, เรายังหลบยังหลีกได้นะแต่พาท่านสิ้นนะเหมือนท่านเฝ้าเราไว้ทั้งวันเวลาเราจะคิดเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าคิดอย่างนี้หลวงปู่จะต้องตำหนิ คิดอย่างนี้หลวงปู่จะสาธุการพูดอย่างนี้หลวงปู่จะตําเนิพูดอย่างนี้หลวงปูจงงป่จะสาธุให้ทําอย่างนี้หลวงปู่จะตำหนี้ทําอย่างนี้หลวงปู่จะสาธุให้มันจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดความเพียรนนะี้มีมคำว่าลดคำว่าละเลยภาวานาทุกวันเด็ดเดียวมีศรัทธาในครูบาอาจารย์ ล้วก็มีวิริยะขึ้นมาสติมันก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสมาธิมันก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมมากขึ้นเรื่อยๆเบื้องต้นก็จะเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเบื้องกลางก็จะมีปัญญาเห็นความจริง ประกายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บางสุขบางปัญญาเบื้องปลายให้เห็นว่จิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์ล้วนๆทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกปีบขันทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยนี่คือปัญญาขั้นสุดท้ายให้นาศัยศรัทธาในเบื้องต้นนะ ไม่ได้มีอาหังการกลางเที่ยวกลางเล็บเข้าไปหาครูบาอาจารย์เมืท่านสอนให้ปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเคารพท่านรักท่านท่านอยากให้เราปฏิบัติเราขยันปฏิบัติมีศรัทธาวิริยะก็เกิดขยันปฏิบัติไปนีสติสมาธิปัญญาก็ค่อยแก่กล้าขึ้นเพราะการปฏิบัตินั้นทิ้งสติไม่ได้ เมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียร น, นี่หลวงปู่มั่นสอนนะแต่หลวงพ่อไม่ทันหลวงปู่มั่นอะ่ะท่านสิ้นไปปีเก้าสองหลวงพ่อเกิดปีเก้าห้าลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ท่านลายองค์ได้ยินได้ฟังว่าเนี่ยท่านสอนอย่างนี้มีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียร งั้นเราจะทำความเพียรเราต้องมีสติสติคืออะไรสติคือสภาวะธรรมที่ทำหน้าที่ระลึกรู้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองงั้นถ้าเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไหร่เรียกว่าขาดความเพียรละถ้าเรารู้กายรู้ใจตัวเองเรียกว่าเรามีความเพียร ง, งั้นถึงเราจะนั่งสมาธิโต้รุ่ง เนศชิกไม่นอนเลยหรือเดินจงกรมทีหนึ่งหชั่วโมง8ดชั่วโมงถ้าไม่ได้มีสติถือว่าไม่ได้มีความเพียรการนั่งสมาธิโต้รุ่งเป็นอัตตกิลมถานุโยกแต่ถ้ามีสติการนั่งสมาธิโต้รุงนั้นเป็นการทำความเพียรเฉนั้นตัวชี่เป็นความเพียรหรือไม่อยู่ที่สติเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงถ้ามีสติ อันนั้นคือการปฏิบัติหน้ายกย่องสรรเสริญถ้าเดินไปนั้นก็คอยดูนาฬิกามันจะครบตามกำหนดหรือยังนะใจวักแวกวักแวกหรือเดินไปแล้วก็เพอ้อฝนันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปหรือเดินแล้วก็เครียดนะเพ่งอยู่ที่ร่างกายยกเท้าย่างเท้าเพ่งอยู่งั้นทั้งหลายชั่วโมงอันนั้นคืออัตตกิลมัฐานโยกอัตตกิลมัทฐานโยกการทาตัวเองให้ลาบากเนี่ย อยู่ที่ว่ามีสติไหมถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยถือว่าทําตัวเองให้ลําบากนะถึงจะนั่งห้านาทีก็เป็นอัตตากิมัฏฐานโยกหนาทีนั่งห้าชั่วโมงคืออัตตากริมัฏฐานุโยกห้าชั่วโมงแต่ถ้ามีสติอยู่ห้านาทีนะได้ปฏิบัติห้านาทีได้ทําความเพียรห้านาทีามีสติห้าชั่วโมงคือทำความเพียรอยู่ห้าชั่วโมงดังนั้นสติ เป็นตัวตัดสินเลยมาเรามีวิริยะไหมเมีสติเมืนะ่อไหร่นะอกุศลที่มีอยู่มันจะดับนะแล้วอกุศลจะเกิดใหม่ไม่ได้ในขณะที่มีสติในขณะที่มีสติอยู่นั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะสติเป็นตัวกุศลแล้วกุศลก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆสติเกิดเร็วขึ้นเรื่อยๆต่อไปศีลสมาธิปัญญาก็สมบูรณ์ขึ้นมาถ้าขาดสติศีลสมาธิปัญญาไม่มีวันสมบูรณ์ ในอาศัยศรัทธาในครูบาอาจารย์นะก็ขี้เกียจไม่ได้ขยันปฏิบัติแต่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติแบบมีหลักเกณฑ์คือมีสติรู้สึกอยู่ในกายมีสติรู้สึกอยู่ในใจพอมีสติรู้กายรู้ใจไปนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืเนเดินนั่งนอนรู้สึกพอ ร, รู้สึกอย่างนี้รู้สภาวะสติไปรู้สภาวะที่กําลังปรากฏเนี่ย สมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตนะิงั้นถ้าเรารู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่นะกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนอยู่นะสมาธิก็เกิดอัตโนมัติไดนะ้รู้ว่ากำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้าสมาธิก็เกิดอัตโนมัติได้อาศัยสติรู้สภาวะธรรมที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะ่ะสมาธิจะเกิด ในครูบาอาจารย์เน้นวนะ่าจิตเผลอไปคิดให้รู้จิตเผลอไปคิดให้รู้ทําไมไปเน้นจิตเผลอไปคิดให้รู้ที่ท่านเน้นตรงนี้เพราะสภาวะเผลอคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดสภาวะที่ใจเผลอไปคิดนั้นเกิดบ่อยที่สุดในหนึ่งนาทีเนี่ยเผลอคิดไม่รู้กี่ครั้งเดี๋ยวลองไปจับเวลาดูนะว่า น, นาทีหนึ่งเผลอคิดไปกี่ครั้งลองไปดูสิแล้วจะตกใจ เผลคิดแทบตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอบางคนต้องบอกครั้งเดียวนะเพอเผลอตลอดเลยไม่เคยรู้สึกตัวเผลอครั้งเดียวอันนี้พวกหลอยถ้วยนะพวก LT ไม่ได้เรื่องแตนะ่ถ้าเราเห็นเผลอทียิบเลยสองวินาทีเผลอสามวินาทีเผลอวินาทีหนึ่งเผลอนี่พวกนี้เก่งนะ แล้วเราจะเห็นในจิตเนี่ยโดยธรรมชาตินะ่ะเผลออุตรุดเลยเงินท่านเลยมาเน้นที่จิตเผลอจิตหลงชิดอย่างเงี้ยในความเป็นจริงแล้วถ้าเรารู้สภาวธรรมถูกต้องตามความเป็นจริงนะจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมใดๆก็ตามสมาธิจะเกิดเหมือนกันตัวผู้รู้จะเกิดเหมือนกันนี่ครูบาอาจารย์เน้นให้รู้ตรงที่หลงชิดเพราะมันหลงชิดบ่อยถ้าหลงชิดเรารู้หลงคิดเรารู้เนี่ย สติเกิดทียิบเลยสมาธิจะเกิดบ่อยคณิกาสมาธิสมเป็นที่เป็นขณนะขณะจะเกิดขึ้นอาศัยศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ขยันภาวนาการภาวนาก็ต้องอาศัยสติถ้าขาดสติก็คือขาดความเพียรพมอมีสติแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเพราะเรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วสมาธิจะเกิดอัตโนมัติ อย่างโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธปุ๊บเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาทันทีในขณะนั้นตรงที่จิตมันเป็นผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะส่วนจิตที่ไป น, นั่งซึมกับถืออย่างเงี้ยเป็นมิจฉาสมาธิอยนะจิตที่มีสมาธิถูกต้องเนี่ยเกิดไม่ยากถ้ามีสติรู้สภาวะที่กำลังปรากฏนะสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นชัวน่วขณะเป็นคณิกสมาธิ ในช่วงขณะเราอย่าดูถูกนะท่านที่บรรลุพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกาสมาธิไม่ใช่ด้วยฌานพระอรหันต์ที่ทรงฌานมีประมาณสามสิบหกเปอร์เซนตนี้สถิตินี้พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้เองท่านบอกในพระอรหันต์ห้าร้อยองค์มีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามหกสิบองค์ได้อภิญญาหกหกสิบองค์ ที่เป็นอุปโตภาควิมุตตมีหกสิบองค์เนี่ยจะเห็นรวมแล้วร้อยแปดสิบองค์ท่านเหล่านี้เล่นสมาธิที่เหลือเท่าไหร่อะสามรอยี่สิบใช่ไหมคือคนอย่างพวกเรานี่รู้ได้ทีละขณะเพราะั้นพวกเราคือเสียงส่วนใหญ่นะน้าภูมิใจเสียงส่วนใหญ่ ไม่มีสติคอยรู้เท่าทันจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตโลภรู้ทันจิตโกรธรู้ทันตัวไหนเกิดบ่อยเอาตัวนั้นเป็นหลักถ้าขี้โมโห intell, เอาจิตโกรธเป็นหลักโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ไปเรืถ้าคี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเอาตัวโลภเป็นหลักจิตโลภแล้วรู้จิตหายโลภก็รู้จิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้ถ้าเป็นตัวฟุ้งซ่านเนี่ยจิตหลงไปคิดก็รู้ จิตรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ก็รู้นะเปลนเอาอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยๆดูกุศลอกุศลไม่ออกดูได้แต่สุขทุกเฉยๆในใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็เฉยก็ดูสุขทุกเฉยๆดูพวกนี้แหละจิตใจเป็นสุขก็รู้นะพอรู้ปุ๊บตรงที่รู้เนี่ยสติเป็นตัวรู้ ตรงที่รู้ถูกต้องนะสมาธิจะเกิดจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาดีบผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยมีความทุกข์ขึ้นมาสติะระลึกรู้สมาธิก็เกิดงั้นทําอะไรสติรู้สภาวะถูกต้องตามบารมจริกสมาธิจะเกิดท่านถึงเริ่มศรัทธาวิรยิยะสติให้มาสมาธิพอมีสมาธิจิตตั้งมั่นแนละ้วก็เกิดปัญญาได้ ถ้าเราดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเราไม่เห็นจิตโกรธก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธก็ไม่เที่ยงเพราะจิตทุกอย่างไม่เที่ยงเพราะจิตทั้งหมดเลยก็มีแค่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธเท่านั้นเองเป็นการมองจิตทั้งหมดในมุมของความโกรธกับไม่โกรธอันนี้เรียกว่าจิตในจิตเรียนรู้จิตบางอย่างแต่เข้าใจจิตทั้งหมด ที่จิก็คือทั้งวันจิตมีสองชนิดสําหรับคนที่โมโหนะจิตโกรธกับจิตไม่โกรธหงุดหงิดกับไม่หงุดหงิดจิตที่ไม่หงุดหงิดเนี่ยอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้จิตที่มีโลภะเนี่ยเป็นอกุศลไม่หงุดหงิดหรอกจิตที่ไม่โมหะไม่หงุดหงิดจิตที่หงุดหงิดคือจิตมีโทสะก็ได้เพราะฉั้นจิตโกรธแต่จิตไม่โกรธเนี่ย จิตโกรธเนี่ยเป็นอกุศลแน่นอนจิตไม่โกรธเนี่ยมีทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลแต่ว่าเรารวบเป็นอันเดียวกันเลยว่าเป็นจิตไม่โกรธเพื่อจะได้ดูง่ายมีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโลภกับจิตไม่โลภก็เหมือนกันจิตที่ไม่โลภก็มีทั้งกุศลทั้งอกุศลจิตชนิดไหนที่ไม่โลภจิตโกรธในขณะที่โกรธไม่โลภหรอกนะ เวลาโกรธเนี่ยมันอยากผลักอารมณ์ให้กระเด็นออกไปเวลาเราเกลียดหน้าใครอยากผลักมันให้กระเด็นออกไปไหมบางทีเอามือผลักยังสั้นไปนะอยากเอาเท้าผลักเนี่ยยาวหน่อยนะแต่ถ้าเรารักเนี่ยอยากดึงเข้ามาเรารักเนี่ยเราอยากดึงเข้ามาเน้นลักษณะของโลภะเนี่ยนะคือดึงอารมณ์เข้าหาตัวโทสะเนี่ยคือผลักอารมณ์ออกไปจากตัวโมหะเนี่ยคือจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจน เรื่องจิตกับอารมณ์ั้งนั้นเลยเรื่องของกิเลสงั้นถ้าเราชีโลบเราก็ดูเลยทั้งวันจิตโรบกับจิตไม่โรบมีเท่านี้เองดูไปอย่างเงี้ยหรือเราใจลอยบ่อยเราก็ดูทั้งวันมีจิตหลงกับจิตไม่หลงนะจิตที่ไม่หลงคือจิตรู้นะจิตโรบกับจิตไม่โรบจิตไม่โรบมีทั้งกุศลทั้งอกุศลแต่พอหลงเนี่ย จิตห ล, ล, ลงเนี่ยเป็นอกุศลจิตที่ไม่หลงเนี่ยเป็นกะุศลงั้นไม่เหมือนกันนะจิตโรกรธกับจิตไม่โกรธตัวจิตไม่โกรธเนี่ยมีทั้งกุศลและอกุศลจิตลอบกับจิตไม่โลภนะตัวจิตไม่โลบเนี่ยมีทั้งกุศลทั้งอกุศลแต่จิตหลงกับจิตไม่หลงเนี่ยจิตไม่หลงเป็นกุศลเมื่อมีสติถึงไม่หลงถ้าขาดสติแล้วมันหลงงั้นหลวงพ่อนะชอบ ตัวหลวงพ่อเองภาวนาเนะี่ยดูจิตดูจิตนะทีแรกดูจิตโลภโกรธหลงอะไรอยู่ช่วงเดียวนะต่อไปเห็นจิตหลงก็จิตไม่หลงแค่นี้เวลาหลงนะหลงไปคิดบ้างหลงไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สมัมผัสทางกายหลงไปทางทาวารทั้งหกหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจไหลออกไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจจิตไหลปุ๊บลูบปลปั๊บไหลปุ๊บลูปปั๊บนะภาวนาทั้งวันนะ หลว่อภาวนาทั้งวันตอนนั้นยังไม่บวชด้วยซ้ำไปไปหาครูบาอาจารย์กลับครูบาอาจารย์นะเล่ากรรมาฐานรายงานการปฏิบัติมีพระมานั่งฟังนะออกจากครูบาอาจารย์เนี่ยพระเจอหลวงพ่อท่านถามโยมทําได้ยังไงพระทำสิบปียี่สิบปีไม่เท่าโยมทําปีเดียวปีหนึ่งไปหาท่านครั้งหนึ่งส่งงานบ้านแล้วบอก ผมทำทั้งวันตื่นนอนมาเนี่ยจิตขึ้นจากผวังก็เห็นแล้วจิตเคลื่อนขึ้นมาจากผวังกระทบขยายความรู้สึกออกไปกระทบความรู้สึกทางใจขยายความรู้สึกครั้งที่สองปุ๊บออกไปนะเหมือนแสงสว่างสวาง่สวางขึ้นทีแรกสว่างเรืองเือขึ้นมาแล้วสว่างปุ๊บหนึ่งรู้ความรู้สึกสว่างอีกปุ๊บหนึ่งนะรู้กาย รู้ตั้งแต่ความรู้สึกทั้งแต่ยังไม่มีกายนี่ภาวนาฮะนะสติมันไวขนาดนี้นะเพราะฉะภาวนาตั้งแต่ตื่นจิตขึ้นจากภวังก์ก็เห็นแล้วนแต่ตอนหลับเนี่ยจิตลงภวังก์เนี่ยต้องแกล้งปล่อยนะไม่งั้นมันไม่นอนหรอกทั้งคืนนอนสว่างจ้าอยู่งั้นไม่ยอมหลับงั้นเวลาจะหลับมันแกล้งปล่อยมันไปทีก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปนะแต่ไม่กําหนดอะไรเลยบริกรรมอย่างเดียวเลย แล้วก็หลับไปแต่ถ้าดูสภาวะอยู่ไม่หลับทำไงก็ไม่หลับเรารู้ตัวตลอดเนี่ยภาวนานะตั้งแต่ตื่นจนหลับภาวนาตลอดบางช่วงเป็นสมถะบางช่วงเป็นวิปั ส, สนายกเว้นเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดนะไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปั ส, สนา ขณะนั้นสติจดจ่ออยู่กับงานสมาธิจดจ่ออยู่กับงานปัญญาคิดเรื่องงานไม่ได้มีสติสมาธิปัญญารู้รูปรู้นามของตัวเองงั้นไม่เรียกว่าปฏิบัติอยู่งัมันหลงออกไปอยู่กับงานถามาได้สมาธิไหมได้ทํางานต้องมีสมาธิไหมก็ต้องมีทํางานไม่มีสมาธิก็ทําผิดเลยขับรถก็ต้องมีสติมีสมาธิแม้แต่สติอย่างโลกโลกสมาธิอย่างโลกโลก ไม่ใช่สติปัฏฐานนะไม่ใช่สติทุกอย่างจะทําให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานนะต้องสติปัฏฐานจบใดที่จะมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่บนโลกยังมีพายะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามีสติอย่างชาวโลกขับรถไม่ตกถนนอะไรเงี้ยไม่ได้เกิดมรรคผลนนคนละเรื่องกันนั่นแหลสติรู้ข้างนอก สติที่จะทําให้เกิดมรรคผลได้สติรู้กายสติรู้ใจในสติรู้ข้างในเรียนรู้กายรู้ใจไปสมาธิก็เหมือนกันสมาธิจดจ่ออยู่ข้างนอกนะก็เป็นสมาธิออกนอกเอาไว้ทำงานสมาธิที่จะดีนะสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้แล้วก็มีสติรู้กายมีสติรู้ใจตังวามวนินจิงไปก็จะเกิดตัญญา มีองค์ธรรมสองตัวนะที่จะทำให้เกิดปัญญามีสติที่เป็นสติปัฏฐานคือสติรู้กายรู้ใจมีสมาธิคือมีความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ใช่จิตนะแต่สมาธิทำให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมายังต้องมีสองอันนี้มีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีสมาธิชนิดที่ ทำให้จิตตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนาตั้งมั่นใช้ไม่ได้นะเจตนาตั้งมั่นใจจะแข็งกระด้างใจที่แข็งกระด้างเป็นจิตอกุศลนะงั้นเวลาเราภาวนาแล้วจิตแน่นๆขึ้นมาให้รู้เลยว่าจิตเป็นอกุศ ล, ละล้วจิตที่เป็นกุศลจะเบาเรียกว่าละหูตาจะอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามูทุตาจะคล่องแคล่วว่องไวเรียกปากุณตาไม่ใช่เสื่อซึมทาอะไรก็ซึม สมาธิดีมากมันคนพิการแล้วใกล้บ้าเต็มทีแล้วไม่ขี้เกียจในการเรียนรู้กายรู้ใจนะเรียกกรรมยาตามีความสามารถที่จะรู้คายรู้ใจได้แล้วเป็นการรู้แบบซื่อตรงรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงเรียกอุชุกตาเนี่ยลักษณะของจิตที่เป็นกุศลอย่างแท้จริงนะแล้วก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง เนี่ยถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บนะิกบานเราจะได้จิตตัวนี้มาจิตที่ไม่องค์ประกอบครบเลยฟังแล้วกว่าองค์ประกอบจะครบมีตายซะก่อนหรือนะไม่หรอกไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าเมื่อไหร่รู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันแล้วก็จิตที่ถูกต้องดวงนี้นะจิตที่ทรงสมาธิถูกต้องดวงนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่โกรธรูว้ว่าโกรธจิตดวงที่รู้ว่าโกรธนั่นแหละคือจิตผู้รู้มันจะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานไม่ขี้เกียจขี้คล้านซื่อตรงในการรู้อารมณ์มันอัตโนมัติจิตดวงนั้นไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นอัตโนมัติมีคุณสมบัติตั้งเยอะตั้งแยะเกิดขึ้นพร้อมๆกันงั้นเราฝึกนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเอาที่เราถนัด ถนัดหายใจก็หายใจไปหายใจออกรู it, premier, ้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถนัดยืนเดินนั่งนอนก็ยืนเดินนั่งนอนไปยืนก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกเป็นสุขก็รู้สึกเป็นทุกข์ก็รู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้สึกโลภก็รู้สึกไม่โลภก็รู้สึก โกรธก็รู้สึกไม่โกรธก็รู้สึกหลงก็รู้สึกไม่หลงก็รู้สึกฟุ้งซ่านก็รู้สึกหงุดหงิดก็รู้สึกเนี่ยหัดไปสิ่งเหล่านี้ดูไปรู้สึกไปเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้สึกคือการมีสติทุกครั้งที่รู้สึกได้เป็นความจริงถูกต้องอย่างกำลังโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยรู้ว่าจิตมันโกรธเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นผู้รู้จะเกิดขึ้น แล้วต่อไปพอเรามีองค์ประกอบสองอันมีสติกับสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ใจะเห็นร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี่เต็มไปด้วยความทุกข์ต้องเปลี่ยนอิยาบถเพราะมันทุกข์ร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาอันนี้จังเนี่ยดูหายใจเนี่ยดูอนนี้จังง่าย อิรยาบถนี่ยดูทุกขังง่ายสมปรสัญญารู้ความเคลื่อนไหวรู้ความหยุดนิ่งของกายในภาพรวมเนี่ยดูมันทั้งตัวเนี่ยดูอนัตตาง่ายหรือดูเวทนาเวทนาที่แนะนําไม่ใช่ดูเวทนาทางกายนะเวทนาทางกายเนี่ยเหมาะกับคนเล่นชันถ้าไม่มีกําลังของสมาธิหนุนหลังไปดูเวทนาทางกายเดี่ยวสติแตกมันเจ็บปวดมาก นั่งไม่กระดุกระดิกโต้รุ่งเย่างนี้โอ้โเจ็บพิลึกเลยฉะนั้นถ้าสมาธิไม่พอนะทําไม่ได้ถ้าสมาธิไม่พอให้ดูเวทนาทางใจเวทนาทางใจเกิดทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเห็นไหมมีอนิจจังดูง่ายอนิจจังตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วอนัตตาก็ดูง่ายมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้หเห็นอนัตตา เลยดูกุศลนนะกุศได้โลบไม่โลบโกรธไม่โกรธหลงไม่หลงอะไรเงี้ยเป็นคู่คู่ดูไปก็จะเห็นอนิจจังเห็นอนาัตตาดูง่ายค่อยๆฝึกนะถึงจุดหนึ่งปัญญาแก่รอบแล้วมักผลก็เกิดนั้นเรามีศรัทธานะมีความเพียร ถ้ามีศรัทธาเราต้องเพียรนะจะบอกศรัทธาหลวงพ่อพโมตแต่ขี้เกียจเนี่ยไม่ได้ศรัทธาจริงนะต่อหลดต่อแหล่ใช้ไม่ได้ถ้าศรัทธาจริงต้องลงมือปฏิบัติมีวิริยะแล้วปฏิบัติก็ต้องมีสติจำกับนะไม่ปฏิบัติแบบเซ่อเซ่าซาไปบังคับตัวเองมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิมันจะเกิดแล้วสุดท้ายปัญญามจะเกิด แล้วสุดท้ายจริงๆวิมุตจะเกิดมรรคผลจะเกิดเนี่ยเส้นทางที่หลวงพ่อเดินมานะหลวงพ่อศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาแล้วท่านสอนให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่เลิกเลยขยั น, นวิริยะเกิดสติเข้มแข็งตั้งแต่เป็นโยมนะจิตของหลวงพ่อทรงสมาธิอยู่ตั้งแต่เป็นโยมนะเป็นผู้รู้หลวงปู่สิมะ หลวงปู่สิมที่ทําผั b หล่องเจอหน้าหลวงพ่อท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะจิตเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเนี่ยฝึกมาตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อพูดเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติท่านก็ไม่รู้ชื่อท่านบอกนักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเราปฏิบัติอยู่ในทุกๆอิริยาบทนี่เองจะยืนเดินนั่ง น, นอนทำอะไรปฏิบัติทั้งนั้นเลยเอาไปกินข้าวไป ไม่ได้บอกให้เลิกปฏิบัตินะกินข้าวเพรปฏิบัติไปนิมนต์นะครับเชิญกรรมการผู้ช่วยสอนก็พวกทิศ ท, ที่ไม่เจ็บป่วยทิศเนี่ยต้องบอกก่อนนะคือพวกที่เคยบวชหลวงพ่อนะไม่ใช่ทิศ ท, ที่อื่นนะทำไมลำเอียงไม่ได้ลาเอียงพวกนี้เทรนพื้นฐานมาแล้วทิศ ท, ที่อื่นเรียนมาคนละแบบเรียนพร้อมกับพวกที่ฝึกกับหลวงพ่อ พร้อมกันไหมถูกต้องอนะ่ะยังมั่วไปหมดนอะ่นะนิมนตะ์ฮัดจัน